ปาราชิกสิกขาบทที่4 1่หนถามภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. ภิกษุมีความปราถนาชั่วถูกความอยากครอบงำ กล่าวอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัติปาราชิกสองกิุกล่าวว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์เมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติทุลจัย 3. เมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอาบัติทุกกด ภิกษุกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้ปราชิกสิกขาบทจบ